ถาจะพิจารณาความคิดทางคณะของพระศรีวิชัยจงอย่าฟังคําของคณะคือฝ่ายโจทย์ฝ่ายเดียวจงฟังคําของพระศรีวิชัยด้วยเพื่อเธอจะได้มีช่องแก้ตัวนี่คือความเที่ยงธรรมของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้านอกนั้นพระองค์ยังถือความสําคัญของสื่อมวลชนโดยทรงระบุมาในสารฉบับเดียวกันนั้นด้วยว่า เรื่องนี้มีข่าวในหนังสือพิมพ์ชื่อนั้นคือหนสืพิมพ์บางกอกไทยในภาษาไทยในวันต่อมาฉันได้ตัดส่งมาด้วยข้อความที่เราว่านั้นไม่ได้แปรเป็นแต่เล่าตามที่จำได้อันหนึ่งเมื่อจะส่งตัวพระศรีวิชัยกลับขึ้นไปโดยไม่ได้โทษหรือวิโทษแล้วจงให้มีสังกัดวัดอย่าปล่อยให้จอจัก เพื่อกัอเจ้าคณะแกล้งจงถามพระสิวิชัยดูสมัรใจวันใดแล้วสั่งให้วันนั้นรับไว้ด้วยแสดงชัดว่าสมเด็จพระสังฆราชก็ทราบเหมือนกันว่าเจ้าคณะแขวงลีก็ดีเจ้าคณะจังหวัดลาพูนก็ดีร่วมกันแกล้งพระครูบาศรีวิชัยมาตั้งแต่ต้นมือพูดก็พูดเถอะ อิทธิพลของสื่อบนชนยุคนั้นคือหนังสือพิมพ์บางก อ, อกไทยมีส่วนช่วยพระครูบาสีวิชัยให้ได้รับการสอบสวนอย่างเป็นธรรมแทนการถูกค่มขู่กลั่นแกล้งเหมือนอยู่เมืองลำพูนถ้าบางก อ, อกไทยไม่ให้ความสนใจพระครูบาสีวิชัยดังกล่าวเราก็คงจะคาดคะเนไม่ได้ว่าผลการสอบสวนจะลงเ อ, อยในรูปใดพระครูบาสีวิชัยจะได้พบกับความยุติธรรมหรือไม่ คณะกรรมการสอบสวนซึ้นสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งเองประกอบไปด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่คือกรมมือหมื่นชินวรนสิริวัตรเป็นประธานพระยานวราภรณ์พระจรมไตโลกาจาร่วมเป็นกรรมการสอบสวนใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็รู้ผลจากสารรายงานของคณะกรรมการถึงสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไป น, นี้ วัดราชบพิธวันที่สิบสองกรกฎาคมพุทธศักราช2463กราบทูลสมเด็จพระมหาสมณะกรมพวชิรยานวโรรสทราบฝ่าพระบาทด้วยมีคำสั่งด้วยกล้าด้วยกระหม่อมกับพระยานวราพรพระธรรมไตรโลกาจารย์เพื่อพิจารณาเรื่องพระสิวิชัยวัดบ้านปางอำเภอรีจังหวัดลำพูน ทุกหาว่ามีพักพวกเป็นอันมากเป็นเหตุระแวงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรว่าเป็นผีบุญและไม่ทำการอ่อนโยนและขัดขืนต่อคณะสงฆ์จังหวัดนั้นเกล้ากระหม่อมได้ถามหม่อมเจ้าบวรเดชอุปราชมนทนพายับว่าการที่พระศรีวิชัยมีคนติดมากนักอาจยกความผิดเป็นอาญาฟ้องร้องต่อสารได้หรือไม่ได้รับตอบว่า หามีความผิดถึงเช่นนั้นไม่แล้วเกล้ากระหม่อมทั้งหลายจึงได้พิจารณาถึงการที่พระศรีวิชัยไม่อ่อนโยนและขัดขืนต่อคณะสงฆ์ส่วนเดียวได้ความดังต่อไปนี้ 1. ตั้งตัวเป็นอุปชายบวชกุลบุตรโดยไม่มีใบอนุญาต 2. ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของพระครูมหารัตนากรเจ้าคณะแขวงลี้ 3. ฝ่ายหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมสงท้องที่อำเภอรีเพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบสง์และทางราชการสงไปประชุมทุกวัดเว้นพระศรีวิชัยไม่ไปสี 4. ทางราชการเป่าร้องให้วัดทั้งหลายตามประทีปตีกล้องตีกรอ ง, รองในการราชพิธีราชาพิเศษวัดทั้งหลายทำแต่พระศรีวิชัยไม่ทา สารของคณะกรรมการสอบสวนพระครูบาศีวิชัยซึ่งกรมมมืน่นชินวรสิริวัตทรงเป็นประธานกราบทูลรายงานสมเด็จพระสังฆราชต่อไปอีกว่า5เจ้าคณะแขวงรีเห็นว่าวัดทั้งหลายขัดขืนต่อความปกครองของคณะสงฆ์เพราะเอาอย่างพระศีวิชัยจึงร้องต่อพระครูศีลวิราชผู้รังตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลาพูน เจ้าคณะจังหวัดรำพูนได้กล่าวว่าตักเตือนทานบนพระศรีวิชัยยังขัดขืนดังก่อนอีกข้อ1ถึงข้อ5เจ้าคณะแขวงกักตัวลงโทษพระศรีวิชัยไว้สองปีตามคำสั่งผู้แทนเจ้าคณะหนนเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรขอสำรวจสั ม, มโนโครวัวพระศรีวิชัยไม่ยอมให้สำรวจให้เจ้าหน้าที่สารวจเอาเองเจ้าคณะแขวง สั่งไปก็ไม่ทำเจ็ 7. เจ้าคณะแขวงนัดประชุมเจ้าอาธิการวัดทั้งปวงในแขวงของตนอธิการหลวงหลายวัดหาไปประชุมไม่เพราะพระศรีวิชัยเป็นผู้ทำตัวอย่าง 8. ลือกันว่าพระศรีวิชัยมีบุญมีดาบฝักทองคำหนึ่งเล่มตกลงมาจากอากาศอยู่ที่ท่านบูชาพระศรีวิชัยเก็บบูชาไว้พระศรีวิชัย เดินได้บนน้ำพระศรีวิชัยไม่เปียกฝนการลือนั้นพระศรีวิชัยจะอวดเองหรือคนอื่นลือไปเองก็ชื่อว่าเกิดแต่พระศรีวิชัยเป็นเหตุให้มรชมหาชนหลงนับถือข้อ 6... ข้อ 7... ข้อ8เจ้าคณะแขวงหรือเจ้าคณะจังหวัดลาพูน ล, ลงโทษพระศรีวิชัยขับจากจังหวัดลาพูนตามคาสั่งผู้แทนเจ้าคณะหนเหนือ ภายในสิบห้าวันพระศรีวิชัยไม่ไปเจ้าคณะหาว่าขัดคำสั่งเอาตัวมากักไว้ต่อมาหม่อมเจ้าโบวรเดชขออนุญาตต่อผู้แทนเจ้าคณะขนเหนือส่งพระศรีวิชัยมากรุงเทพกร้ากระหม่อมทั้งหลายได้แต่สวนพระศรีวิชัยเธอให้การดังต่อไปนี้ 1. ข้อหนึ่งถึงข้อ5พระศรีวิชัยรับสารภาพ 2. ข้อ6 พระศรีวิชัยแก้ว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่หน้าที่ของเธอ 3. ข้อ8พระศรีวิชัยปฏิเสธว่าของเช่นนั้นเธอไม่มีและเธอไม่ได้อวดใครเขาพากันลือไปเอง9 ก, กระหม่อมเห็นพิจารณาร่วมกันดังนี้ 1. ข้อหนึ่งถึงข้อ5พระศรีวิชัยรับสารภาพและได้รับโทษแล้วเป็นอันไม่ต้องพิจารณา 2. ข้อ6ตามคำแก้ของพระสีวิชัยนั้นเพราะเธอถูกถอด 3. ข้อ7เป็นความผิดของพระอธิการผู้เอาอย่างตังหกักพระอธิการไปเอาอย่างผู้ไม่ใช่พระอธิการพระสีวิชัยก็ไม่ผิด 4. ในข้อ8ไม่มีพยานหลักฐานว่าพระสีวิชัยอวดเมื่อมีคนเล่าลือไปเองจะลงเอ่ยว่าพระสีวิชัยมีความผิดเพราะเกิดแต่เธอหาถูกไม่ ที่พิจารนามาในข้อ 6, อ 7, อ8เขได้ความว่าพระศรีวิชัยไม่มีความผิดเจ้าคณะลงโทษเกินไปเพราะฉะนั้นควรปล่อยให้พระศรีวิชัยกลับไปยังภูมิลำเนาของตนข้อสังเกตสำหรับผู้ฟังก็คือคำกล่าวหาข้อ4ที่พระกุูบาศรีวิชัยไม่ยอมตามประทีปลั่นข้องกรองประดับทงทิวในวันพระราชพิธีป ร, รมราชาพิเศษสมโพธนั้นพระคูบาศรีวิชัย สารภาพผิดแต่ก็ให้การว่าท่านเปลี่ยนใช้พิธีชุมนุมสงฆ์ทั้งวัดมาสวดถวายพระพรแทนให้แล้วแต่คำให้การไม่ปรากฏในสารรายงานของคณะกรรมการสอบสวนแสดงว่าความคิดใหม่หรือการริเริ่มใหม่ไม่ว่ายุคสมัยใดจะมีการยอมรับนับถือได้ก็ต้องลงมาจากเบื้องบนไม่ใช่ขึ้นมาจากเบื้องล่างก็เหตุดีแหละประเทศชาติของเรา จึงไม่พ้นฐานะด้วยพัฒนาสถีสมเด็จพระสังฆราชกรมมืน่นวชิระยานวโรรสพระยศในขณะนั้น มีพระดำริวินิจัยอธิกรณ์ของพระครูบาศีวิชัยดังนี้ข้อที่ 1. พระสิีวิชัยตั้งตัวเป็นพระอุปชายะเอาเองบวชกุรบุตรโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นมีความผิดต่อคณะโดยแท้เจ้าคณะลงโทษกักตัวพระศีวิชัยไว้ให้อยู่ส่วนกำหนดโทษสองปีนั้นแรงเกินควรไปเช่นนี้ตามธรรมเนียมที่เป็นมา เราเป็นผู้สั่งลงโทษเองทดีนี้เจ้าคณะขนเหนือสั่งตามบําพังตนเองก็ไม่ผิดดอกถ้าคำสั่งของเราการลงโทษจักเป็นไปโดยพอดีข้อ2ก็ตกไปส่วนข้อ3เจ้าหน้าที่ฝ่ายคณะสงฆ์เรียกประชุมคณะสงฆ์เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบการคณะสงฆ์และทางราชการพระศรีวิชัยไม่ไปนั้นถ้าเขาบอก ขอให้เจ้าคณะแขวงเป็นผู้บอกนัดก็มีความผิดถ้ารำพังเจ้าคณะที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมเองพระศรีวิชัยไม่ไปจะยกเป็นความผิดบิได้ข้อที่สีทางราชการเปล่าร้องให้วัดทั้งหลายตามประทีปตีคองตีกรองในพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษสมโพธิพระศรีวิชัยไม่ทําตามนั้นการตามประทีปตีคองตีกรอง เป็นกิจอันจะพึงทําด้วยความมีแก่ใจทางราชการเป่าร้องก็เป็นเพียงแต่นัดนัดถ้าเป็นการบังคับกันแล้วก็เป็นทางที่ไม่เป็นพระเกียรติยศพระศรีวิชัยไม่ทําตามไม่ควรยกขึ้นเป็นความผิดข้อ 5. วัดทั้งหลายขัดขืนต่อความปกครองของเจ้าคณะแขวงยกเป็นความผิดพระศรีวิชัยนั้นหาถูกไหม ชอบแต่จะเอาผิดแก่เจ้าอาวาสทั้งหลายเหล่านั้นก็หาทั้งหต่างคราวกันเจ้าคณะจักเอาโทษควรจะยกขึ้นว่าในคราวที่ทํามาประมวลยกชี้ขึ้นว่าโทษคราวเดียวกันอย่างนี้ไม่เป็นหลักฐานไม่ชอบด้วยเหตุผลคนทั้งหลายจึงเห็นว่าข่มเหงพระศรีวิชัยอันที่จริงดูเหมือนเจระแวงฝ่ายอาณาจักรที่ว่าเป็นผีบุญ จะยกความผิดทางนั้นไม่ถนัดจึงหยิบเอาความผิดอีกทางมาประมวลกันเป็นสาเหตุลงโทษและพระศรีวิชัยยังไม่ได้กระทาการอันจัดเป็นความผิดทางอายาแผ่นดินหรือทางพระศาสนายังเอาโทษไม่ได้เมื่อจะเอาโทษก็มีบางควรนอกจากผิดยุติธรรมคนทั้งหลายผู้สงสารย่อมเห็นความดีของเธอ และนับถือมากขึ้นครั้งโบราณการเหตุการณ์อย่างนี้เคยรุนแรงถึงเป็นเหตุให้ตั้งาศาสนาขึ้นใหม่ก็เคยมีมาแล้วในข้อ6ข้อ7และข้อ8คณะกรรมการวินิจฉัยว่าพระศรีวิชัยไม่มีความผิดเจ้าคณะลงโทษเกินไปควรปล่อยกลับภูมิลำเนาเดิมของตนนั้นชอบแล้วแต่ปล่อยให้กลับไปตามลาพังเข้ากับเจ้าคณะไม่ได้ จากเต็ิดเตเตรยู่ควรจะจัดส่งขึ้นไปถ้าควรเป็นเจ้าสำนักหรือเจ้าวาดก็จงให้เป็นไปตามเดิมถ้าไม่ควรก็จงให้มีสังกัดอยู่ในวัดอื่นที่พระศรีวิชัยจะพึงเลือกเอาได้ตามชอบใจกรมมมื่นชินวรจึงสั่งไปตามนี้ จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้คือกรมพระวชิรยานวโรรสทรงความเที่ยงธรรมสมตำแหน่งอธิกรข้อสแม้พระองค์จะไม่มีโอกาสทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีตามประทีปตีค้องตีกรองมาเป็นการชุมลุมสงฆ์ทางวัดสวดถวายพระพรชัยดั่งที่พระครูบาสีวิชัยปฏิบัติไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังส่งวินิจฉัยว่า การตามประทีบตีค้องตีกรองสมโภธนั้นเป็นกิจอันพึงทรรมด้วยความมีแก่ใจไม่ใช่บังคับซึ่งหากบังคับแล้วก็ไม่เป็นพระเกียรติยศแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นเรื่องที่ฝ่ายราชการคือฝ่ายอาณาจักรเป่าร้องไปเองพระครูบาสิีวิชัยยังมีโชคดีอยู่มากที่ต้องอธิกรในยุคโน้นหากมาต้องในยุค ลูกผีคอมมิวนิสต์เข้าแล้วสมเด็จพระสังฆราชไม่ว่าองค์ไหนคงจะทรงปกป้องเอาไว้ไม่ได้แน่ในการจับกลุ่มกบฏสันติภาพเมื่อปีพุทธศักราช2495พระบางรูปจากวัดมหาธาตุถูกจับศึกพอบเรืืองจีวรจากกายก็ถูกเท้าในตำรวจผู้สอบสวนเข้าหลายพรักจนสุดดงกองกับพื้น มาถึงยุคของจอมพลพระกม้าแดงเจ้าคุณพระพิมลธรรมกับพระเลขาของท่านสองรูปก็ก็กเผชิญชะตากรรมทำนองเดียวกันแต่ท่านพร้อมใจกันไม่ยอมสึกถึงขนาดตำรวจยื้อยุดเข้าฉีกเรื่องจีวรจนต้องเปลี่ยนมาคองผ้าขาวกันเป็นแถว พระครูบาศรีวิชัยมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเป็นส่วนตัวครั้งหนึ่งหลังจากได้ส่งพบกับพระครูบาศรีวิชัยแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงมีสารไปถึงกรมมมื่นชินวอนสิริวัตสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนนกลางความว่าวันนี้นนฉันได้พ บ, พบตัวพระศรีวิชัยได้แต่สวนเห็นว่าเป็ น, ปนพระที่อ่อนโย น, โยน ไม่ใช่พูดถือกระด้างไม่ใช่เจ้าเล่เจ้าคนไม่ค่อยรู้ทมวินัยแต่มีสมณะสัญญาพอจะประพฤติอยู่ได้อย่างพระที่ห่างเหินจากสมาคมการตั้งตัวเป็นพระอุปชายยะเองนั้นด้วยไม่รู้ความหมายไม่รู้ประกาศทำตามธรรมเนียมคืออุปชัยยะของเธอชื่อสุมณะเมื่อจะถึงมรณภาพ ได้ตั้งเธอให้ปกครองวัดและบริษัทแทนจนถือว่าได้ตั้งมาจากอุป च ายะเพราะการไม่รู้จักระเบียบแบบแผนถูกเอาตัวมาลงโทษกักไว้เกือบไม่รู้ว่าเพราะความผิดอะไรพระอย่างนี้ต้องการอธิบายให้รู้จักความผิดชอบดีกว่าที่จะลงโทษถูกแล้วไม่มีบาปกรรมอันใดที่หนักหน่วงยิ่งไปกว่า การใช้อำนาจลงโทษผู้ที่ไม่อาจรู้ได้ว่าตัวได้ทำผิดอะไรขึ้นปกติวง์การสงของเราได้ดำเนินธรรมกิจมาด้วยความสงบน้อยครั้งนักที่จะเกิดอธิกรณ์ขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นส่งผู้ใหญ่ก็จัดการจนเป็นที่เรียบร้อยได้เสมอแต่หากทางฝ่ายอาณาจักรคือฝ่ายปกครองบ้านเมืองแทรกตัวเข้าไปก้าวกายด้วยทีไร ที่นั้นเหตุการ์แทนที่จะแคบเข้ากลับต้องขยายกว้างออกทำนองเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งบรรดาพระสงฆ์เจ้าคณะที่มักโอนอ่อนยำเกรงฝ่ายปกครองเพื่อสมณศักดิ์ที่จะขยับสูงขึ้นดดวยแล้วสงผู้ทาผิดวินัยก็จะผิดมากที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่อาสัยมีเหตุมีผลเป็นตัวของตัวเองจนฝ่ายปกครองเกิดขมัน หรือหมันไส้ก็จะกลายเป็นความผิดขึ้นมา ท, าทันทีอาทิเช่นครูบาสีวิชัยนี้เป็นต้น พระไทยเที่ยงธรรมสมกับที่ทรงเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าในยุคนั้นสมเด็จพระสังฆราชกรมพระวชิรญาณวโรรสได้ทรงสรุปอธิกรของพระกูบาศรีวิชัยลงดังนั้นจงท่งพระศรีวิชัยกลับขึ้นไปก่อนพรรษาจงมอบให้เจ้าครองนครดำดำปูนช่วยเป็นธุระให้ได้กลับไปอยู่วัดบ้นปาหรือวัดอื่น ที่พระศรีวิชัยต้องการหรือพอใจแต่ต้องให้ให้ตัวเป็นหัววัดเองหรือมีพระอื่นเป็นหัววัดโดยจริงจังอย่าปล่อยให้เที่ยวเตะอยู่รูปเดียวและข้าทรงพระศรีวิชัยกลับจงแจ้งแก่พระยามวรภรให้จ่ายเป็นส่วนตัวของชั้น โดยสมเด็จพระสันตะลาท่งยกย่องความสําคัญของหนังสือพิมพ์ไม่แพ้ผู้เจริญแล้วในยุคปัจจุบันพระองค์ท่านจึงทรงสั่งให้กรมมหมื่นชินวรนชี้แจงผลการไต่สวนของพระครูบาศรีวิชัยไปให้หนังสือพิมพ์บางกอกไทยได้รับทราบไว้ด้วยแต่สําหรับความเห็นของบางกอกไทยที่เสนอให้พระศรีวิชัยศึกษาพระาศาสนาพอรู้ แล้วส่งไปสอนมหาชนทางภาคเหนืออันจะก่อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายอาณาจักรนั้นกรมมมื่นชินวรชี้แจงว่าสมเด็จพระสังฆราชส่งไล่เลี้ยงพระศรีวิชัยด้วยพระองค์เองเห็นว่ามีความรู้ทางาศาสนาน้อยนักทางวินัยก็รู้เพียงปาราชิกสี่ทางภาวนาไม่มีทางอื่นนอกจากบริกรรมปฏิสังขายโยอัจฉมยา และอิปิโตแต่เป็นผู้ที่เจตนาดีมีสมณสัญญาและทําใจอย่างสมณะจึงเป็นพระที่เคร่งครัดอันหนึ่งพระศรีวิชัยก็อายุสี่สิบเศษแล้วจะศึกษาต่อก็คงจะไม่ไหวเธอเองก็กลาบทูลว่าเห็นทีจยากระทาไม่สำเร็จเป็นอันว่าข้อเสนอที่หวังดีต่อประชาชนของบางกอกไทยก็ต้องเป็นหมันไป สองเดือนกับสี่วันสิ้นไปเพราะการสอบสวนพระครูบาศีวิชัยผลก็ปรากฏออกมาก็คือพระครูบาศีวิชัยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีผิดตามข้อกล่าวหาพระพุทธวจนะที่ว่าธรรมโมเวรตัติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจึงเป็นอมตะอยู่ทุกกาลสมัย พระครูบาศรีวิชัยได้เข้าไปกราบนมัส ก, การสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงพระเมตตาพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้60บาทสำหรับพระครูบาศรีวิชัยใช้ใจ่ายในการเดินทางวันที่21่สิกรกฎาคมพุทธศักราช2463 เป็นวันที่พระครูบาศีวิชัยเดินทางโดยขบวนรถไฟกลับเมืองลำพูนขามากรุงเทพท่านมาอย่างผู้กระทำความผิดมีการควบคุมตัวแข็งแรงขากลับท่านกลับอย่างผู้ที่ได้รับอิสรภาพดังนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยอันใดเลยที่ประชาชนเมืองเหนือทั้งภาคจะเตรียมการต้อนรับพระครูบาสรีวิชัยสถานใดบ้าง รถไฟขาขึ้นเมืองเหนือสมัยนั้นต้องพำนักที่พิษณุโรกหนึ่งคืนล้ำปางหนึ่งคืนทุกแห่งที่พระครูบาศรีวิชัยลงพำนักเนืองแน่นไปด้วยศรัทธาทั้งหลายของเมืองเมืองนั้นจนกระทั่งถึงเมืองลำพูนสถานีวังตองไปจนถึงตัวเมืองลำพูนมีแต่ประชาชนเกลื่อนกราดด่าด่าไปหมดทุกคนต้อนรับพระครูบาศรีวิชัยด้วยรอยยิ้มที่ปิติยินดี ท่านพ้นโทษทันมาได้หลายลายที่ใจอ่อนต้อนรับพระกูบาสิวิชัยด้วยยิ้มทางน้ำตาพำนักลำพูลอยู่ได้เพียงสามคืนท่านก็เดินทางไปอำเภอรีตรงไปอย่างวัดบันปางณที่นั้นแม่อุสาโยมแม่ของท่านก็มารอรับอยู่ด้วย่าำกลางชาวบ้านชาวเขาเผ่าต่างๆเช่นเคย คืนไปสู่ภูมิลาเนาเดิมก็คือการบูรณะวัดต่างๆที่ท่านเห็นว่าตกสู่สภาพเสื่อมโทรมเต็มที่วัดแปลกที่พระครูบาศรีวิชัยประกาศเจ็ตจำนงจะบูรณะก็คือวัดหริพุนชัยที่ท่านถูกกักตัวในฐานะผู้ต้องโทษนั่นเองระหว่างต้องกักขังอยู่ในพระวิหารแห่งวัดดังกล่าวท่านสังเกตเห็นความเสื่อมทรมจมรุด หักพังดังนั้นท่านจึงพำนักอยู่ในวัดบ้านปางราวสองสัปดาห์ก็เสนอขออนุญาตเจ้าผู้ครองนคนรลำพูนและเจ้าคณะจังหวัดขอบุรณะพระบรมมรรทัดวัดพระธาตุริพุนชัยซึ่งทางการก็รีบอนุญาตให้โดยทันทีเมื่อพระกูบาศรีวิชัยประกาศบุรณะพระบรมรทัดวัดฮิพุนชัยออกมาไปเพียงคาเดียว ท่านก็ไม่ต้องขวนขวายไปหาเงินทองมาจากไหนดอกเพียงบาทใบหนึ่งทีวอนผืนหนึ่งที่มีอยู่ที่ท่านเท่านั้นเงินทองจากประชาชนก็ไหลามาเทมาจำนวนเงินหลายหมื่นซึ่งถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็ไม่น้อยกว่าล้านบาทใครจะไม่มีเงินบริจาค ก, ก็เอาแรงกายเข้ามาช่วยบุรณะซ่อมแซมให้พระบรมธาตุรวมทั้งบทวิหารที่สุดรม ก็ได้คืนสู่สภาพกดงามกว่าเดิมในเวลาไม่กี่เดือนจากพระบรมธาตุวัชริพุนชัยพระครูบาศีวิชัยเดินทางไปสร้างพระเจดีย์ดอยเกื้องที่อำเภอฮอตเมืองเชียงใหม่ประชาชนบริจาคเงินให้ร่วมร่วมหมื่นบาทเจดีย์ดอยเกื้องก็สําเร็จในเวลาเพียงสองเดือนเสร็จเจดีย์ดอยเกื้องสําเร็จไม่นานนักโยมแม่อุสาก็ป่วยถึงแก่กรรม พระครูบาศรีวิชัยกลับมาวัดบ้านปางก็จัดการชปราปนกิจโยมแม่แล้วก็รับนิมนต์จากพวกอย่างให้ไปเทศนาที่ตําบลแม่บัวแก้วพวกอย่างที่เคยนับถือผีนับถือพูดต่างทราบซึ้งในรถพระธรรมพากันหันมานับถือพุทธศาสนากันทั้งหมู่บ้านพระครูบาศรีวิชัยจึงชักชวนให้สร้างวัดและเจดีย์ขึ้นที่วัดแม่เทียมอีกแห่งหนึ่ง พิธีศพการเป็นผู้สร้างปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนาของพระครูบาศรีวิชัยขจรกระจายไปไกลถึงเมืองเชียงรายท่านจึงได้รับนิมนต์ให้ไปสร้างวิหารพะเยาที่ทุ่งเอี้ยงเมืองเชียงรายพระครูบาศรีวิชัยก็มีได้ขัดศรัทธาได้รับการต้อนรับจากประชาชนชาวเชียงรายทุกแห่งที่ท่านไปถึงเมื่อประกาศชักชวนให้สร้างพระวิหารใหม่ โดยรื้อของเก่าทิ้งเสียนั้นว่ากันว่าเงินที่ประชาชนบริจาคนำมาให้ใส่ปี๊บได้เต็มปรีถึงสองปี๊บได้สร้างพระวิหารพะเยาเสร็จแล้วเงินพอมีเหลืออยู่บ้างพระครูบาสีวิชัยก็นำมาซ่อมแซมพระาธาตุป่าแดงที่เชียงใหม่ได้อีกแห่งหนึ่งแล้วจึงได้เดินทางกลับไปจำปัรษาอยู่ที่พะเยา ว, วัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอุโบสถวิหารจำรดสุดโสมด้วยเป็นวัดเก่าแก่มีอายุเลยห0รปีมาแล้วเจ้าแก้วนวรัตผู้ครองนครเชียงใหม่ขณะนั้นหาลือกับบรรดาบุคคลสำคัญของเมืองอาทิเช่นหลวงอนุสารสุนทรพยาเท้าแสนหลวงศรีประกาศและข้าบดีอีกหลายคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ที่จะบรรดาความสาเร็จให้แก่การบูรณะซ่อมแซม วัดพระสิงห์เสียใหม่ก็มีผู้เดียวคือพระครูบาสีวิชัยเมื่อทุกคนเห็นพร้องต้องกันพระครูบาสีวิชัยก็ได้รับเชิญให้เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระสิงห์ทันทีซึ่งท่านก็น้อมรับหน้าที่อันเป็นบุญเป็นกุศล น, นี้โดยเต็มใจ หลังจากบุรณะเสียจนวัดพระสิงห์ใหม่เอี่ยมอ่องขึ้นมาแล้วพระครูบาสีวิชัยก็จาริกต่อไปยังปูชนียสถานที่สุดสมแห่งอื่นต่อไปอาทิสร้างพระบาทแม่คืนพระบาทตากผ้าอำเภอป่าสางเมืองลาพูนซ่อมแซมพระาธาตุศบปางสร้างวัดดอยตุงเหนืออำเภอฝางแปดปีเต็มนับจากที่พ้นอธิกรจากกรุงเทพมา พระครูบาสรีวิชัยจาริกเพื่อสร้างและบูรณะวัดวะอารามอยู่ตลอดเวลาแทบไม่มีวันพักผ่อนและเพราะไม่อาจจะกัดศรัทธาจากชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงพระครูบาศรีวิชัยยอมรับเป็นพระอุปัชฌายะโดยไม่มีใบอนุญาตอีกครั้งหนึ่งโดยบวชให้กุลบุตรทั้งปวงเป็นพระสัสมมาเนรไปพันกว่ารูปเหตุนี้จึงเป็นจุดอ่อนสำคัญ ที่ฝ่ายตรงข้ามกับท่านจ้องจับมองดูอย่างเงียบเงบคนดีมีมายในแผ่นดินคนดีดับดินสูนสินมาลายให้บทเพลงคนดีกองเครียงใคร ตืบเชื้อสายในใจชนคนรุ่นใหม่ไม่สิ้นเสียงเพลงบรนเลงขับขานเย็นสายลมโชยผ่านความหวังยังคงกว้างไกลไม่มีเมฆงอฟ้าดำบดบังฟ้าใส ขอหยิบต่อสู้ต่อไปโอ้เมืองไทย มุ่งแต่จะประกอบกรรมดีเสอย่างเดียวไม่กระไรนักหากดีด้วยเด่นด้วยคนอื่นที่เขาทำไม่ได้ก็ทนไม่ไหวปฏิบัติการจองเวรเอากับพระคูบาศรีวิชัยจึงไม่ยอมจบสิ้นลงง่ายๆหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมุูรณายยาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเมื่อปีพุทธศักราช2475ได้ไม่นานนักพระกูบาศรีวิชัย ก็ตกลงใจซ่อมแซมวัดสวนดอกซึ่งเป็นวัดสำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่อาศัยที่วัดสวนดอกมีทางรัฐขึ้นไปยังดอยสุเทพได้พระครูบาสีวิชัยจึงบังเกิดความคิดที่จะสร้างทางขึ้นไปดอยแห่งนั้นพร้อมกันไปและเป็นความคิดที่สมพร้อมกับหลวงสีประกาศคาริษบดีผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองเหนือคือเมืองเชียงใหม่ ทั้งสองจึงได้ปรึกษาหารือกันที่วัดพระสิงห์ซึ่งพระครูบาศีวิชัยจำวัดอยู่ในขณะนั้นดอยสุเทพเดิมมีชื่อว่าอุดจุบันพศหรือเขาอ้อยช้างอุชจุเป็นภาษาบาลีแปลว่าอ้อยแต่ที่เรียกว่าอ้อยช้างก็ไม่ทราบว่าคำว่าช้างมาจากไหน ชื่อเขาอ้อยช้างหรือดอยอ้อยช้างเรียกกันมาตั้งแต่พระเจ้าเมงลายผู้ครองเวียงกุมรามอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้เสด็จการประพาสราษฎรแถวนั้นเมื่อราวพุทธศักราช1834ต่อมาทรงเห็นว่าชัยภูมิและอนาบริเวณทั่วไปงดงามมากพระองค์จึงทรงสร้างละครเชียงใหม่ขึ้นมาเริ่มก่อร่าง ถางพงเพื่อสร้างเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช1835มาจนถึงปีพุทธศักราช1839จึงได้ทำพิธีฝังเสาหลักเมืองเชียงใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีเดือน8เหนือคือเดือน6ใต้ปีวอกอัธศจุลศักราช658ต่อมาเล่ากันว่าหลังจากสร้างเมืองแล้วไม่นานปรากฏว่า บนยอดดอยอ้อยช้างมีฤาษีขึ้นไปนั่งจำศีลภาวนามีชื่อว่าฤาษีสุเทพไม่ปรากฏว่าฤาษีสุเทพได้แสดงฤาษีดาพิณิหารหรือทำคุณให้แก่ชาวบ้านชาวดอยใต้อย่างใดแม้กระนั้นชื่อดอยสุเทพก็ยังติดปากคนเมืองเหนือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนพระบรมสารีริกาธาตุที่ประดิษฐ์บนยอดดอยสุเทพนั้น มีประวัติมาว่าเป็นพระบรมธราตุที่พระมหาสุมนณะเทระนำขึ้นมาจากกรุงสุโขทยัยเพื่อถวายแก่เจ้าคืนนากษัตริย์ราชวงศ์เมืองลายผู้กรองนครเชียงใหม่ในขณะนั้นเมื่อปีพุทธศักราช1912ต่อมาปีพุทธศักราช1927 พ, พระเจ้าคืนนาได้อัญเชิญพระบรมธาตุองค์ใหญ่ ส่วนองค์เล็กบรรจุไว้ที่วัดสวนดอกได้บรรทุกช้างขึ้นไปประดิษฐานบนยอดดอยสุเทพการบรรจุพระบรมธาตุบนยอดดอยครั้งแรกไม่มีเจดีย์หรืออาคารใดเลยพระเจ้ากืนนาให้ขุดยอดดอยลึก8ศอกกว้าง1วา3ศอกสกัดหินแท่งใหญ่น้อยทำหีบนำเอาพระอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในนั้น จึงได้ปรับพื้นที่ให้ราบก่อพระเจดีย์ให้สูงขึ้น5วาขึ้นทับบนพระบรมสารีริกธาตุนั้นการขึ้นยอดดอยสุเทพจึงลำบากแสนเขน็ญคนที่มีศรัทธาแก่กล้าจริงๆเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุธาธถึงยอดดอยได้เพราะทางขึ้นธุระกันดารสำหรับคนสูงอายุ แต่เป็นที่สนุกสนานสำหรับคนหนุ่มสาวเพราะต้องปีนป่ายเขาเหนี่ยวรังเทวันขึ้นไปเนั้นก็ต้องออกกันตั้งแต่มืดเพราะใช้เวลาจากข้างล่างถึงยอดดอยราวห้าชั่วโมงผู้มีฐานะดีหน่อยก็นั่งคานหามมีคนหามหรือขี่ม้าขี่ช้างบุกขึ้นไปด้วยเหตุนี้พระครูบาสีวิชัยจึงเห็นความจำเป็น ที่จะสร้างทางขึ้นยอดดอยสุเทพขณะที่หลวงสีประกาศมีความประสงค์เพียงจะนำไฟฟ้าขึ้นไปติดบนยอดเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเท่านั้นการประกาศเจตนาของพระครูบาศีวิชัยที่จะได้เห็นทางขึ้นดอยสุเทพเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั้งอาศัยปากคนและใบปลิวพิมพ์แจกกันทั่วทุกจังหวัดทางภาคเหนือเป็นจำนวนห้าหมื่นใบประชาชนห้าจังหวัดทางภาคเหนือก็ไม่อาจทนนิ่งสงบอยู่ได้ใครมีจอบคว้าจอบใครมีเสียมคว้าเสียมแต่ละคนคข่หาเสบียงกลางติดตัวมาเองมาทาั้งทางบกทางน้ำมุ่งหน้าสู่นครเชียงใหม่เป็นจานวนพันันคนประกาศสิทพระครูบา นั้นศักดิ์สิทธิ์เนื้อคำประกาศชักชวนของรัฐบาลในกรุงเทพหลายเท่านักความจริงความคิดที่จะปัดถนนขึ้นดยสุเทพไม่ใช่ของใหม่สมัยพระองค์เจ้าบราวรเบชทรงเป็นอุปราชมณฑลพายัพเมื่อปีพุทธศักราช2460ก็เคยคิดกันมาหุนหนึ่งแต่เมื่อมีการคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วปรากฏว่าต้องใช้เงินถึง 200,000 บาท เทียบกับสมัยนี้คงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทขึ้นไปพระองค์เจ้าบวรเดชจึงทรงระงับความคิดนั้นเสียต่อมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475เคยมีข้าหลวงประจำจังหวัดเชียงใหม่บางคนคิดถึงปัญหานี้แต่แล้วก็ทำไม่ได้เกี่ยวกับการใช้่ายเงินซึ่งมีจำนวนสูงนี่เองแต่พระครูบาศรีวิชัยทาได้ โดยไม่ต้องเข้าสังกัดพรรคอะไรทั้งสิน้นคนเราจะทำอะไรก็มีประชาชนมหาชนสนับสนุนก็ย่อมทำได้สำเร็จจนแม้แต่จะปฏิวัติพริกแผ่นดินที่ทำอะไรไม่สำเร็จหรือขลักขสร่งให้คนรุ่นหลังสาบแช่งนั้นก็เพราะประชาชนหรือมหาชนเขาไม่สนใจมหนาซ้ำอย่างเบื่อนหน้าหนีเพราะถือว่าคนที่คิดทาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่คนของเขา แต่พระครูบาศรีวิชัยเป็นพระของประชาชนทางขึ้นดอยสุเทพจึงสำเร็จลงในเวลาเพียง5เดือนกับอีก22วันเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2477เวลา 10.00 นเปิดถนนให้รถยนต์แล่นได้เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2478 หลวงสีประกาศถึงกับตกตรึงอ้าปากค้างเพราะท่านกะไว้ว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า8เดือนจะไม่สำเร็จเร็วอย่างไรได้ในเมื่อประชาชนแห่กันไปช่วยทำงานสายนี้วันหนึ่งหนึ่งระหว่าง5 0 0พันถึง 6,000 คนแม้แต่ที่ดินจะเหลือไว้ให้จอบหรือเสียมเวี่ยงลงมาแทบหาไม่ได้เพราะเบียดเสียดกันแน่นขนาดไปหมด รางวัลที่พระคูบาสีวิชัยได้รับจากการปลุกระดมพลังมวลชนจากห้าจังหวัดภาคเหนือคือเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายพิษณุโลกให้มาร่วมกันสร้างทางขึ้นดอยสุเทพจนสําเร็จก็คือพระคูบาสีวิชัยถูกนิมนต์โดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เอาตัวท่านไปสอบสวนความผิดที่กรุงเทพ ความผิดตามข้อกล่าวหาครั้งหลังนี้อุกจกักนยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะข้อหาที่ชักชวนให้วัดต่างๆ62วัดลาออกจากการปกครองของคณะสงฆ์ไปขอขึ้นอยู่ในปกครองของพระครูบาศรีวิชัยเพียงแห่งเดียวถือว่าร้ายแรงมากถึงขั้นปลุกปั่นให้พระเถระกระบฏต่อพระราชบัญญัติปกครองสงฆ์และกระด้างกระเดื่องต่อพระเถระผู้ใหญ่ พระคูบาศรีวิชัยถูกกาะกุมตัวเข้ามาอยู่ในวัดเบญจมบพิษอีกในราวต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2478ประชาชนเมืองเชียงใหม่เริ่มมีปฏิกิริยาต่อเจ้าหน้าที่ปกครองอย่างทั่วถึงจนทำให้ข้าหลวงประจำจังหวัดในขณะนั้นต้องออกแถลงการด่วนมีความดังต่อไปนี้การที่ทางราชการนิมนต์พระศรีวิชัย วัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่เข้ากรุงเทพนั้นทางราชการได้ถแถลงการให้ทราบตอนน่งแล้วเห็นอยู่ว่าความสนใจความเอาใจใส่ของทายกทายกาประชาชนในเรื่องนี้มีอยู่มากสมควรจะทราบพฤติการอันต่อนเนื่องจากข้อความที่ได้ถแถลงแล้วเป็นความผิดคือกเฉพาะพระศรีวิชัยหนึ่ง ไม่ได้ตราตั้งเป็นพระอุปัชฌายะ 2. ไม่ได้ตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะแต่ทําใบสุทธิของตนแจกจ่ายแก่พระพิสุสา ม, มเณรของตน 3. ให้อุปสมบทนานปีที่คณะสงฆ์ประกาศห้ามมิให้อุปสมบทส่วนข้อกล่าวหาที่มีต่อพระพิสุสา ม, มเณรหกวัดคือ 1. นึลาออกจากคณะสงฆ์ ทิ้งหนังสือที่เจ้าคณะออกให้แม้เจ้าคณะห้ามปรามก็ไม่ฟังสมัครเข้าไปอยู่ในการปกครองของพระศิวิชัยสองไม่ยอมให้เจ้าคณะสำรวจบัญชีกลางปีสามไม่ยอมอยู่ในอนัดของสงแต่อย่างใดแสดงการฉบับดังกล่าว ออกประกาศเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2478ก่อนการส่งตัวพระครูบาศีวิชัยเข้ากรุงเทพไม่กี่วันผู้ลงนามในแถลงการก็คือพระยาอนุบาลพายัพกิจข้าหลวงเมืองเชียงใหม่พระครูบาศีวิชัยออกปากกับพระสีประกาศก่อนเดินทางจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพในกล่าวนั้นว่า อาตมาต้องติกรที่เมืองเชียงใหม่มาสองคราวแล้วคราวนี้เห็นทีจะไม่ขอกลับเชียงใหม่อีกนอกเสียจากน้ําแม่ปิงจะไหลย้อนขึ้นเหนือเท่านั้นมีหรือที่น้ําเหนือซึ่งมีหน้าที่ไหลลงทะเลจะไหลย้อนขึ้นมาทางเหนืออีกคําพูดของพระครูบาสรีวิชัยจึงสะท้อนหัวใจลวงสีประกาศ จนน้ำตาซึมเพราะนั่นหมายถึงจนช่วชีวิตดับของพระครูบาศรีวิชัยจะไม่หวนกลับมาเมืองเชีงยงใหม่อีกเลยวาจาของพระครูบาศรีวิชัยเป็นสัจจะเสมอ เมื่อพ้นอธิกรจากกรุงเทพท่านมาพำนักแค่ลําพูนชาวเชียงใหม่ก็แห่กันไปนิมนต์ให้ขึ้นเชียงใหม่ท่านก็ได้แต่ยิ้มแล้ว พ, พึมพำออกมาว่าแม่ปิ่นไม่ไหลขึ้นเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่ก็ได้แต่อ่อน อ, อกอ่อนใจฮอบเอาความผิดหวังกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2480เดือนก ร, รกฎาคมพระครูบาศรีวิชัยอ า, าพาธหนัก สั่งสารุสิทธิ์ให้นําท่านกลับไปที่บ้านปางทิ่นกําเนิดของท่านขั้นย่างเข้าเดือนสิงหาคมอาการของท่านก็เพียบหนักลงเจ้าผู้ครองนครลําพูนข้าหลวงลําพูนข้าราชการคฤหาบดีทั้งเมืองลําพูน ร, รวมทั้งเจ้าคณะจังหวัดลําพูนได้จัดขบวนช้างมาพร้อมกับผู้คนทั้งบรรพชิตและคารวะหลายร้อยแห่แหนกันไปรับตัว พระกูบาศรีวิชัยจากบ้านปางขึ้นมาพำนักรักษาตัวที่วัดจามเทวีเมืองลำพูนระดมหมอฝรั่งหมอไทยประดามีในภาคเหนือเข้ามาดูแลรักษาพยาบาลอย่างเข้มงวดและด้วยศรัทธาทำให้ชีวิตของท่านประวิงมาจนถึงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2481พระกูบาศรีวิชัยตามใจให้บรรดาศรัทธา พาท่านมารักษาที่วัดจามเทวีพอสมควรแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยท่านจึงขอให้นำท่านกลับไปส่งที่วัดบ้านปางวัดแรกที่ท่านอุปสมบทและสร้างขึ้นเองสัตถาทั้งหลายก็ตามใจการกลับคืนมาบ้านปางครั้งหลังได้ใช้รถยนต์อย่างดีนำท่านมาส่งตามประสงค์พระครูบาสีวิชัยมีชีวิตต่อไปที่บ้านปางได้ไม่นาน เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2481เวลาเที่ยงคืนกับ5นาทีพระคุณเจ้าของประชาชนภาคเหนือก็สิ้นชีวิตลงรวมสิริอายุเพียง60ปีเท่านั้น กายของพระกูบาศิีวิชัยห้อมร้อมไปด้วยสานุสิทธิ์จนย่างเข้าเวลา 22.00 นท่านก็ได้เรียกสิทธิ์เข้ามาพร้อมหน้าด้วยอาการที่ฝืนยิ้มท่านได้พูดกับสิทธิ์ว่าสิทธิ์ที่รักทั้งหลายภายในชั่วโมงนี้เราจะจากท่านไปแล้วเรารู้การเวลานี้มานานแล้วอย่าเสียใจหากชีวิตเราสิ้นสุด เราขอย้ำอีกครั้งหนึ่งขอให้พวกท่านตั้งหน้าสร้างสิ่งที่เรายังสร้างไม่สําเร็จเรียบร้อยและอย่าลืมหลังจากที่เราสิ้นชีวิตพวกท่านจงเอาน้ำพึ่งหนึ่งขวดกรอบปากเราไว้เพื่อกันการเน่าเปื่อยของศพเพราะเรารู้ดีว่าพวกท่านจะเก็บศพเราไว้นานปีจงจําและทาตามเราหลังจากนั้น ท่านก็ปล่อยไปดังหนึ่งนอนหลับไม่มีโอกาสพูดจากับผู้ใดอีกกระทั่งล่วงเวลาเที่ยงคืนประมาณหนาทีเสร็จคือเมื่อวันที่ยี่บกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันดบรรดาสิทธังปวงที่ห้อมร้อมอดตาลับขับตานอนพยาบาลท่านมาแหลมเดือนต่างก็เปล่งเสียงร่ำไห้ออกมาเซ็งแซ่เมื่อแน่ใจแล้วว่า พระคูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาได้อมาราโลกไปแล้วขณะนั้นเองแผ่นฟ้าซึ่งตั้งเขาทรมุนมาตั้งแต่ยามต้นก็หลั่งฝนให้ปโปรยลงมาราวกับว่ามรณภาพของนักบุญแห่งลานนาผู้นี้แม้แต่สวรรค์ก็ยังร่ำให้อะไร ไม่เพียงฝนตกลงมาอย่างดึกสงัดเท่านั้นพายุก็กลาดเกรียวรุนแรงแผ่นฟ้าเต็มไปด้วยประกายของสายฟ้าที่สัมแดงเด็ดครั้งแล้วครั้งเล่าบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเคยจำเหตุการณ์ในวันที่พระคูบาสิวิชัยคลอดจากขันของมารดาได้ดีต่างยกมือผนมและพึมพำว่าไอ้ฟ้าฮองเอ๋ยเจ้าจะมาฟ้าก็ขนองอย่างนี้ พอเจ้าจะไปฟ้าก็ไม่ลืมขนองต้องรับเอาตัวไปสมแล้วที่เจ้าชื่อฟ้าห้องห0สิปีสั้นเกินไปน่าเสียดายนักแต่พระครูบาศรีวิชัยไม่เคยเสียดายชีวิตของท่านแน่ละพระครูบาศรีวิชัยไม่ยอมบำเพ็ญชีวิตเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าอื่นๆเขาซึ่งเช้าตื่นออกก็ไปบิณฑบาต สายกลับมาลงโบทแล้วก็ฉันฉันแล้วก็เข้ากุฎท่องพระธรรมคำเทศนาเพนก็ลงฉันบ่ายก็จำวัดตื่นขึ้นก็ลงโบทเย็นค่ำถ้าไม่มีใครนิมนต์ไปสวดนอกวัดหรือได้รับเกณฑ์ให้ไปสวดพระอภิธรรมงานศพก็จำวัดหรือไม่ก็ชักชวนเพื่อสนสามเณรด้วยกันมาตั้งวงฉันน้ำชาสนทนาเรื่องต่างๆจนดึกจึงได้จาวัดบางรูป อยู่จนดึกดื่นก็เพื่อกระทําตนเป็นหมอดูทํานายทายทักอุบาสกอุบาสิกาที่บากหน้าไปหาถึงกุติปากก็ปฏิเสธซึ่งปัจจัยแต่มือก็มักจะรับสำหรับพระผู้ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนดีก็สอบมหาป ร, รียาสูงสูงขึ้นไปก็ใฝ่ฝันแต่สมณศักดิ์ผัดยศ<ด>เพื่อความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสงฆ์ต่อไปแล้วพระเหล่านั้น ก็อายุยืนกว่าจะมรณภาพก็ป่าเข้าไปถึง70บางรูปก็ถึง80หรือ90แต่พระคูบาศรีวิชัยไม่ใช่พระอย่างนั้นตลอดเวลา42ปีในเพศบัณประชิตชีพประจรลงเท้าพระคูบาศรีวิชัยตลอดเวลาแทบจะหาโอกาสพักผ่อนไม่ได้ในภาระที่มุ่งหน้าซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดวาอารามโบสถวิหาร ไหนจะด้านด้นเข้าป่าลึกดงดิบเพื่อเทศนาสั่งสอนเหล่าชาวป่าชาวเขาโดยแม้ว่าจะรู้น้อยในพระธรรมวินนยแต่ท่านก็มากไปด้วยความเข้าใจในพุทธศาสนาในสภาพของความเป็นจริงคำสอนของท่านจึงก่อประโยชน์ยิ่งใหญ่โน้มน้าวจิตใจของเหล่าคนป่าคนดอยซึ่งแต่เดิมนับถือพูดผีปีศาจให้หันมานับถือศาสนาพุทธ กันเป็นทิวแถวไม่ว่าพวกยางพวกกอมูเซรหรือกระเลียงภากิจของนักบุญดังกล่าวไม่เคยปรากฏว่า จะมีผู้ใดเคยปฏิบัติมาก่อนพระครูบาสรีวิชัยจึงได้รับความนิยมยกย่องจากชนชาติส่วนใหญ่และส่วนน้อยของภาคเหนืออย่างทั่วถึงแต่เพราะท่านมีงานหนักอาหารก็ฉันน้อยมากซ้ํำยังไม่ยอมฉันเนื้อสัตว์ดํารงตนเป็นพวกมังสวิรัติมาตั้งแต่อายุยังเยาว์อายุของท่านจึงไม่อาจจะยืดยาวเหมือนพระอื่นๆ ศพของพระคูบาศีวิชัยไม่เน่าเปื่อยจริงๆชาวบ้านปางรักษาเอาไว้นวัดบ้านปางไม่ยอมให้ผู้ใดพลากไปข้างไหนถึงสามปีชาวลําพูนกับชาวเชียงใหม่เกือบจะเกิดศึกเพราะต่างเสนอขอศพของท่านไปทําพิธีชพปนกิจในที่สุดก็ต้องตกลงกันเองจากคําของพระคูบาศีวิชัย ที่เคยลั่นออกมาว่าแม่ปิงไม่ไม่วันไหลกลับฉันใดฉันนั้นอาตมาก็จะไม่กลับคืนนครเชียงใหม่ชาวลาพูนจึงได้ชนะศพของพระกูบาสรีวิชัยไปรักษาไว้ที่วัดจามเทวีเมืองลาพูนเมื่อปีพุทธศักราช2484แต่ยังไม่กระทาชาปนกิจจนกระทั่ง ปีพุทธศักราช2489หลังสงครามมหาเอเชียบุลภาบรรดาศรัทธาทั้งหลายที่น้ำตาเหือดแห้งแล้วก็ชุมนุมกันจัดพิธีชาวพน ก, กิจศพของท่านขึ้นณวัดจามเทวีเมืองลำพูน เมื่อศพของท่านถูกเผาเป็นเท่าทานไปแล้วแผ่นดินลำพูนก็เกือบจะนองเลือดเพราะประชาชนเข้าแย่งชิงอัฐิของท่านไปบูชาจนถึงทางเชียงใหม่ต้องยกกองทหารติดอาวุธไปรักษาการงานศพของพระครูบาศีวิชัยจัดขึ้นถึง15วัน15คืนประชาชนหลั่งไหลจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปรวมกันที่วัดจามเทวีเมืองลำพูน จากทุกจังหวัดในภาคเหนือแล้วยังชนชาติส่วนน้อยชาวป่าชาวเขาอีกจำนวนมากทุกคนมีถนนสายเดียวในช่วงเวลาเหล่านั้นคือสายที่มุ่งสู่เมรุศพของพระครูบาสีวิชัยครั้นพิธีฉลองครบตามกำหนดวาระการประชุมก็มาถึงด้วยแรนศรัทธาของประชาชนเป็นจำนวนแสนๆทางกรุงเทพจึงไม่อาจวางเฉย เป็นทองไม่รู้ร้อนต่อไปได้จำต้องจัดส่งท่านสังฆมตรีองค์การปกครองสงฆ์พระกุณเจ้าพระพิมลธรรมเป็นผู้แทนมาร่วมประชุมเพลิงด้วยขณะเปิดศพพระครูบาศิวิชัยเพื่ออาบน้ำศพตามประเพณีประชาชนพากันเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปยื้อแย่งลูกประคำที่แขวนคอท่านชุลมุนไปหมดห้ามปรามก็ไม่ฟัง มินนำซ้ำยังชกต่อยหวังมวยกันเป็นมูมูทางเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เห็นท่าไม่ดีลำพังกำลังตำรวจคงจะต้านทานประชาชนไม่ได้จึงติดต่อให้ทางเชียงใหม่ส่งทหารติดอาวุธพร้อมกันถึงสองขันรถมารายรอบรักษาการ ประชุมเพลิงจนศพกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วในพริปตานั้นกองทหารตำรวจก็ต้องทำงานหนักเพราะประชาชนเฮโลกันเข้าไปแย่งกระดูกของพระกูบาศรีวิชัยและต้องวางยามรหลล้อมพระเมรุตลอดคืนวันลุงขึ้นจึงมีการประชุมตกลงกันระหว่างผู้แทนเมืองต่างๆเพื่อได้กรรมสิทธิ์ในอัฐิของพระกูบาศรีวิชัยไปบูชาไว้นจังหวัดของตน การตกลงแบ่งกระดูกของพระกูบาสิีวิชัยกระทำกัน่าำกลางการรายล้อมของทหารและตารวจถืออาวุธครบมือในที่สุดก็ตกลงกันโดยแบ่งกระดูกของท่านออกเป็น4 ส, ส่วนส่วนที่หนึ่งให้ชาวอำเภอลี้นำไปบรรจุนวัดบ้านป่างทิ่นกำเนิดของพระกูบาสิีวิชัยส่วนที่สองบรรจุไว้ในสถูปของวัดจามเทวีที่เผาศพของท่าน ส่วนที่สได้มอบให้ในายอินวิลเลียมสานุสิทธิ์ที่พระคูบาศรีวิชัยรักไข้นำไปบรรจุไว้นวัฒน์สวนดอกเชียงใหม่ส่วนที่สได้มอบให้ปักขาวดวงตาสานุสิทธิ์อีกคนหนึ่งนำไปบรรจุไว้ที่ดอยงมอำเภอสันกำแพงติดต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนโดยประขาวดวงตาเป่าร้องชักชวนให้ประชาชน ช่วยกันสร้างอนุสาวรีย์ให้พระคูบาศรีวิชัยแล้วนําอัฐิของท่านบรรจุไว้บนดอยสุเทพอนุสาวรีย์ของพระคูบาศรีวิชัยได้ถูกสร้างไว้ด้านหน้ากําแพงวัดพระบรมบาาธาตุอีกแห่งหนึ่งใครขึ้นไปนมัสการพระบรมบาาธาตุบนดอยสุเทพได้พบเห็นกันทุกคน คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเมื่อได้ครองผ้าเหลืองก็มีเพียงบาทใบหนึ่งกับจีวรประคำคอหนึ่งพวง ก, กับไม้เท้าหนึ่งอันแค่ไหนจึงได้ยิ่งใหญ่ส่งไว้ซึ่งอํานาจคลองใจคนได้เป็นแสนเป็นล้านย่างเท้าจาริกไปหนหนใดแห่งนั้นก็แน่นขนาดไปด้วยประชาชนมหาชนที่เข้ามาห้อมร้อมต้อนรับนี่คือ พระครูบาศรีวิชัยในขณะที่พระองค์อื่นนิยมพรมน้ำมนพ่นน้ำลายเป่ากระม่อมให้หวยใต้ดินบนดินเสกถาอาคมร้อยแปดพระรูปหนึ่งกลับไม่ยอมกระทา ม, มุ่งหน้าสอนให้ประชาชนผู้ได้การศึกษาสแสวงหาทางเข้าสู่พุทธธรรมด้วยการศึกษาข้อเท็จจริงในชีวิตอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ชักชวนให้สร้างแต่สถานที่รวมจิตใจของประชาชนคือโบสถ์วิหารวัดทั้งวัดพระรูปนี้ก็คือพระกูบาศรีวิชัยขณะที่อำนาจทางอาณาจักรแผ่เข้ามาเพื่อประกองอำนาจฝ่ายพุทธจักรอันเป็นประโยชน์ทางการเมืองนั้นพระบรรนอกร่างเล็กใบหน้ายิ้มแย้มเป็นหนึ่งนิดลุกขึ้นประกาศแข็งข้อกระทั่ง ต้องอธิกรถูกสอบสวนลงโทษหลายครั้งหลายคราแต่ทุกคราทุกครั้งประชาชนและอำนาจธรรมะได้คุ้มครองท่านไว้ได้เสมอพระบรร น, นกรูปนี้ก็คือพระคูบาสีวิชัยขณะที่เจ้าคณะจังหวัดแต่ละแห่งเคร่งปฏิบัติตามกฎหมายและธรรมวินัยเพื่อคณะสงฆ์จะได้ปกครองพระเนรทั้งหลายไว้ให้อยู่ในมือ แต่ปรากฏว่าพ่านเนนจากวัดต่างๆทั้ง62วัดประกาศลาออกจากการปกครองของคณะสงฆ์เพื่อขึ้นตรงต่อการปกครองของพระธรมธรมดาธรูปหนึ่งพระรูปนั้นก็คือพระครูบาศรีวิชัยซึ่งเสมือนประเทศอาณานิคมทั้งหลายแข่งข้อถอนตัวจากมหาอำนาจไปขึ้นตรงต่ออีกมหาอำนาจหนึ่งซึ่งมาอำนาจหลัง ปราสจากแสนยานุภาพใดๆทั้งสิ้นนอกจากดวงใจที่บริสุทธิ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเพียงดวงเดียวมหาอำนาจนั้นก็คือพระคูบาสีวิชัยซึ่งขณะนั้นหากท่านจะสร้างนิกายพุทธศาสนาขึ้นใหม่ให้ชื่อว่าพุทธศาสนานิกายสีวิชัยท่านก็ยอมทำได้บวชเรียนมาถึง42ปีไม่เคยได้รับสมณศักดิ์ใดๆเลย นอกเสียจากความเป็นพระกูบาศรีวิชัยไปจนตายแต่ไม่แปลกอะไรดอกนะเมื่อเป็นพระเป็นให้ได้อย่างพระกูบาศรีวิชัยข้าพเจ้าคิดว่าเกินพอนั่นเพราะนักบุญแห่งลา น, นาของเราท่านเป็นพระของประชาชน ก็ขอจบชีวประวัติของพระคูบาสีวิชัยไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดจะเริเร่ทำธรรมธรรมทัมสมาคมทำเสียงคำบรรยาย